สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมเดทกรคนชอบเล่าก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับพร้อมกับเรื่องราวที่ท่านสมาชิกได้กรุณาแบ่งปันมาครับคลิปนี้เราก็จะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของคุณอัธพลครับเป็นเรื่องราวของหม้อเอ๊ะมันจะเป็นหม้ออะไรนะอยากจะรู้นะซิไปฟังกันเลยดีกว่าสวัสดีครับเรื่องที่ผมจะเล่านี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูกพี่ลูกน้องของผมมันเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเอาเป็นว่ามันมีเรื่องให้เกริน่น แลเรื่องที่ผมจะขอเคล็นก็คือเรื่องผีครับชื่อว่าผีกะเป็นผีทงางภาคเหนือที่มีตำนานมายาวนานท่าที่ผมรู้มาก็คือเป็นผีประจําตระกูลที่เลี้ยงและสืบทอดกันมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานผีประเภทนี้หากผู้เลี้ยงปล่อยป ล, ยปละให้ผีกะของตนเองต้อดอยากแล้วก็หรือว่าเลี้ยงไม่ไดีผีกะตนนั้นก็จะไปเข้าสิงชาวบ้านที่ขวัญอ่อนหรือไม่ก็พวกดวงตกเพื่อขอกินของเขาไม่ว่าจะเป็นลาบดิบไก่เล่าและเครื่องเส้นต่างๆ พร้อมกันนั้นก็ยังจะบอกชื่อของเจ้าของเพื่อให้ได้รับความอับอายไปด้วยซึ่งทางบ้านผมเรียกว่าผีขายหน้าทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อสมัย20่กว่าปีก่อนเป็นยุคที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึงตัวหมู่บ้านบรรยากาศ ก, ก็เป็นบ้านป่าที่ถนนหนทางสัญจรก็ยังเป็นลูกรังเต็มไปด้วยดินแดงพี่ไก่ญาตซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของผมเธอเป็นเจ้าของดีกรีนางนพมาศประจําหมู่บ้านซึ่งสมัยนั้นความงามจะเป็นความงามตามธรรมชาติงามแบบไร้สิ่งปรุงแต่งใดๆ แน่นอนพี่ไก่เป็นผู้หญิงที่ชายหนุ่มทั้งหลายหมายปองเรียกได้ว่าหัวบันไดบ้านไม่เคยแห้งทั้งหนุ่มในหมู่บ้านและหนุ่มต่างหมู่บ้านต่างประเที่ยวหาพี่ไก่ไม่ขาดสายซึ่งสมัยนั้นการจะไปเที่ยวหาลูกสาวชา ว, ชาวล้านนา น, นั้นก็ต้องอยู่ในใสายตาของผู้ใหญ่ผู้ชายที่มาจีบมีสิทธิ์แค่ได้นั่งหน้าฉันบ้านเท่านั้นส่วนตัวของลูกสาวก็ต้องนั่งในบ้านเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดผีกันหากมีการแตะเนื้อต้องตัวกันและด้วยเหตุนี้ เป็นเหตุที่ทําให้พี่ไก่นั้นต้องพบเจอกับสิ่งเรึกลับที่คาดไม่ถึงเรื่องก็คือตะวันคล้อยประมาณผีตากผ้าอ้ อ, อมวันนั้นสิ่งเรียกหนึ่งก็ดังขึ้นมาอีไก่ผีกะเขา้าไปตัวหาป้อนนวนกรรมสิ่งเรียกจากเช้านะเรียกพ่อผมไม่เอารถยนต์ไปรับป้อนนวนปู่จานหรือผู้มีอาคมของหมู่บ้านและแน่นอนเด็กๆอย่างพวกผมถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในบ้านของพี่ไก่ห้ามไปบ้านหลังนั้นเด็ดขาดเปิ่นจะไล่พีกะกันเสิ่งแม่ห้ามพวกผมกับพี่สาว ต่พอไม่ออกจากบ้านปุ๊บพวกเราก็รีบวิ่งอ้อมไปทางหลังบ้านแล้วแอบดูข้างๆพุ่มไม้ริมรัว้วภาพที่ผมเห็นก็คือลุงป้านะอาต่างช่วยกันชุดรังพี่ไก่กันอย่างโอนละมานทั้งทั้งที่พี่ไก่เป็นสาวตัวเล็กแต่แกกลับสะบัดผู้ชายแทบหงายหลังดวงตาแข็งไม่ยอมกระพริบ ป, ปากก็ร้องเสียงดังกูจะเอามันไปอยู่ตยเอามันไปอยู่ตย <c oughs> พร้อมหัวเราะเหมือนผู้ชายเสียงห้าวๆฝังดูและหน้ากลัวมาก กูาบาใจกลัวหมอกไอหนวนเสียงพี่ไก่หัวเราะเลยสักพักหนึ่งปอ น, นวนปู่จันนักปราบผีก็มามึงลุกตั้งใดมามึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้แปลว่ามึงมาจากไหนบอกกูมาเดี๋ยวนี้ปอ น, นวนขู่เสียงดังพร้อมกับท่องคาถาใส่น้ําในขันกูบอบอกกูบ่ดใจกลัวเมืองไอหนวนกูมไม่บอกกูมไม่ได้กลัวมึงไอหนวนพอพ่นวนได้ยินดังนั้นก็กรอกน้ำมนต์จากขันเข้าปากพี่ไก่ทันที พี่ไก่โดนจับตรึงให้อ้าปากเพื่อกรอกน้ำมนต์เข้าไปแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เา้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เา้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เน้นเฮ้เั้เฮ้เฮะเฮ้เก้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เม้เไปเฮาา้กมกมเฮาา้เฮสานามกับน้เฮ้ที่วั้เากเจะสั่งสอนมัน ระหว่างนั้นพี่ไก่ก็หัวเราะเยาะเยะ้ยท้าทายพร้อมทั้งด่าชาวบ้านไปด้วยแบบหยาบคายต่างๆนานาชั่ครู่ใหญ่ๆต่อมาของทุกอย่างก็เตรียมพร้อมป้านวนได้แบ่งน้ำมันออกเป็น2 ส, ส่วนแบ่งใส่แก้วเล็ก1ส่วนแล้วก็แบ่งใส่ถังผสมกับน้ำอีกส่วนหนึ่งแล้วพอป้าหนวนถือน้ำมันต์้าไปเท่านั้นพี่ไก่ก็มีอาการสะดุ้งโหยงขึ้นมาทันทีพร้อมกับดิ้นแล้วก็ดิ้นออกอาการไล่ให้ออกไปไกลๆไปน้ามึงไปมึงไปไกลๆกูกูบอเอากูบอกินไป ไปเลยมึงไปเลยกูไม่เอากูไม่กินเอาไปไกลไกูมึงต้องกินป้าหนุนร้องสั่งและตอนนั้นเองป้าหนุนก็เอาการพุทสาหนามจุ่มน้ำมนลงไปแล้วก็ตวัดขึ้นฟ้าไปอย่างหลังของพี่ไก่ฟับเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยพี่ไก่มีอาการดิ้นทุรนทุรายทุกคนต่างเวทนาในภาพที่เห็นยับมันไว้แน่นแนนจับมันไว้นั่นๆป้าหนุนบอกจากนั้นก็จับปากพี่ไก่บีบแล้วก็กรอกน้ำมนตเข้าปากแกครู่เดียวพี่ไก่ก็มีอาการอาเจียนของเสียออกมา อาเจียออกมาแล้วก็มีอาการอ่อนระหวยหรุ่ยแรงลงไปเรื่อยๆเอาน้ำมนต์นี่ไปอาบน้ำหืมมอนปนวนบอกให้พาพี่ไก่ไปอาบน้ำมนต์สถานที่ก็คือตรงกลางบ้านแต่พอพี่ไก่เดินลงมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายก็มีอาการเปลี่ยนไปพี่แกกลับมามองทุกคนอย่างตาขวางเส่ตาแข็งกร้าอีกครั้งโหมึงนี่มันเหล็กก่อโถมึงนี่มันดื้อด้านเหรอฟบฟบฟ บ, ฟบป้าหนวนฟาดลงที่หลังอีกหลายครั้งพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนอย่างทรมาน อยมึงเป็นไผ่บอกกูหมอถ้าบ่บอกกูจะฟาดมึงแฮมหนําป้านวนถามมันว่าเป็นใครมาจากไหนถ้าไม่บอกโดนฟ้าดอีกแน่กูบอบอกกูบอบอ ก, บอกพี่ไก่ยังเด้อไอ้ใจมึงไปเอาพริกแห้งพริกดิบๆ ม, ม, มากูจะบอกมอกมันป้านวนบอกให้ไปหยิบพริกเขาได้พริกแห้งกับพริกขี้หนูแล้วป้านวนกระเป๋ากรถาใส่จากนั้นก็หักพริกยัดใส่ปากพี่ไก่จนเต็มปากเลย พี่ไก่พยายามถุยออกพร้อมกบับอดครวนกับอาการแสบร้อนส่งเสียงร้องไห้โหยหวนยบอกแล้วกูบอกแล้วกูลูกบ้านไอ้ใจมอือมันใช้ได้อินนี่กูเลยจะเอามันไปคืนไอ้ใจกูมาจากบ้านไอ้ใจกูเห็นมันชอบอินี่กูเลยจะเอามันไปให้ไอ้ใจโถโถ่มึงจะบัาชีวิตลูกหลานกูเลยกะกรรมเดี๋ยวกูจะบอกมึง มึงจะม า, าชีวิตลูกหลานกูเลยหรือเดี๋ยวรอดูกูจะจัดการมึงไอ้ใจมึงไปเอาหม้อหนึ่งกับมีดมากูจะฝากของไปคือเจ้ามันไอ้ใจมึงไปเอาหม้อหนึ่งกับมีดมากูจะฝากของไปให้เจ้าของมันไม่ได้มาแล้วพี่แก่ก็ถูกจับตรึงไว้ถูกครอบหัวด้วยหม้อหนึ่งจากนั้นป้าหนวดก็เอามีดขูดหมีนจากหม้อหนึ่งออกมาพร้อมกระเป๋าคถาทำท่าเหมือนกับคนกำลังโกนผมพอแล้วพอแล้วกูวจะไปแล้วกูจะหือเจ้ามึงออกจากบ้านบ่ได้ จากนั้นป้านวลก็ขู่แล้วฟาดลงไปอีกหลายเทจนจะผีกะนั้นยอมออกคงเป็นเพราะความทรมานกับสิ่งที่มันได้รับไปแล้วกูไปแล้วกูบอกเอาแล้วจากนั้นพี่ก่ก็มีอาการอาจีด่างกมาเป็นลมพร้อมกับกัดฟันโชคขณะก็แลบลิ้นและครู่หนึ่งก็อ่อนลงไปเหมือนกัเป็นลมนี่ไผเหมืองเป็นลูกไผปนวลถามไก่เจ้าไก่ลูกประใจเจ้าเกิดอหยังขึ้นเจ้า พี่ไก่ไสติทําหน้าเหรือร้ต่อหน้าทุกคนที่ต่างล่วงใจทุกคนดีใจที่พี่ไก่กลับมาแต่เรื่องที่น่าแปลกก็คือพี่ไก่ที่โดนทั้งพริกทั้งฟาดทั้งเตตอนนี้กลับไม่มีอาการเจ็บปวดทรมานใดๆเลยแล้เหตุผลที่ต้องเอามอหนึงครอบหัวแล้วก็ทําการขูดก็เพื่อทําให้เจ้าของผีกะตัว น, นั้นผมร่วงแล้วก็ทําให้ไม่สามารถออกจากบ้านได้เพราะเจ้าของผีกะนั้นผมจะร่วงออกเป็นกระจุกกระจุกเลยแล้วก็จบไปแล้วครับกับเรื่องราวของคุณอัธพล ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหากการถ่ายทอดมีภาษาที่พิ้นพี้นแปลกๆไปซึ่งมีแน่นอนก็หวังว่าคงจะอภัยกันได้นะครับไปที่ยวเหนือกันมาแล้วทีนี้ไปลงใต้กันบ้างดีกว่าครับไปกับเรื่องราวของคุณตรงฟานปู้ป้ายคุณตรงฟานปู้ป้ายเล่าว่าสวัสดีครับเรื่องที่จะเล่านี้เป็นเรื่องราวที่ตากับผมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับป่าจังหวัดนครศรีเป็นป่า ท, ที่ตาผมคุ้นเคยมากครับตาผมเคยเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็เคยตั้งฐานที่มั่นกันในป่าแห่งนี้มาก่อน ป่าแห่งนี้เป็นป่าใหญ่ติดกับอำเภอโนดพิตตำอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็ยังติดกับอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีบางส่วนด้วยตาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนป่าแห่งนี้เสือเยอะมากแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังพอมีหลงเหลืออยู่บ้างไหมหรือว่าเหลืออยู่จํานวนเท่าไหร่แต่ว่าช้างก็ยังมีเห็นอยู่หลายตัวเลยครับปัจจุบันนี้สัตว์ป่าก็ยังชุกชุมอยู่นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวน ป่าแห่งนี้ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติน้ําตกสี่ขีดน้ําตกยอดน้ําน้ําตกพูรินน้ําตกไผ่ตงและอีกหลายน้ําตกอ้อลืมครับตาของผมชื่อปานครับไม่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วตาของผมได้เดินทางเข้าไปยังป่าแห่งนี้ไปทางอําเภอสิชนตารู้จักคุ้นเคยกับป่าแห่งนี้ดีเพราะว่าเคยรบอยู่ในป่าแห่งนี้มาก่อนและเมื่อแกเลกเป็นคอมมิวนิสต์แกก็มักจะชอบเข้าไปในป่าแห่งนี้อยู่บ่อยๆแกเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่ง แกได้เข้าป่าไปทางน้ําตกยอดน้ําได้วยมีจุดมุ่งหมายก็คือแกจะไปนั่งห้างเพื่อล่าสัตว์กับเพื่อนแกวันนั้นแกกับเพื่อนออกเดินทางกันตัเช้าโดยตัวแกพาปืนลูกซองยาวคู่ใจไปด้วยส่วนเพื่อนของแกพาปืนคาบศิลาไปหรือภาษาใต้ก็เรียกว่าปืนแก๊นั่นเองแกว่าวันนั้นอากาศดีไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปแกกับเพื่อนก็ค่อยๆเดินไปและมองหาทํามเลดีๆเพื่อจะกัดห้างแล้วพอแกเดินเข้าป่าไปได้ประมาณ10กิโลแกกับเพื่อนก็ได้เจอกับหนองน้ําแห่งหนึ่ง ตรงบริเวณ น, นั้นเต็ไมไปด้วยรอยเท้าสัตว์ลงมากินน้ําตรงนี้มากมายแล้วก็ยังใกล้กับทางสัตว์เดินด้วยแต่มันก็ติดตรงที่ว่าเมื่อหมอสํารวจทั่วบริเวณดีแล้วตรงนี้ไม่รอยเท้าของเสือด้วยแกกับเพื่อนก็เลยปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงดีเฮ้ย <Hey, S 1> เราจะเอาอยัางไงกันดีวะถ้ากลับกันตอนนี้ก็ต้องมืดก่อนออกจากป่าแน่เราน่าจะหาทำเลขัดห้างกันแถวนี้แหละมีความเห็นยังไงเพื่อนแกมองหน้าทําท่าคิดทบทวนอยู่แป๊บหนึ่งอ๋อลืมไปเพื่อนแกชื่อผลครับ จากนั้นเพื่อนทลก็พยักหน้าตกลงตามแผนการที่ตาวางไว้ทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันมองหาต้นไม้เพื่อจะขัดห้างแล้วก็ได้ต้นไม้ที่โดนใจเหมาะมากสําหรับการขัดห้างเพราะว่าอยู่ระหว่างทางสัตว์เดินกับหนองน้ําพอดีแล้วก็รีบช่วยกันคนละไม้คนละมือขัดห้างให้เสร็จเรียบร้อยที่ต้องรีบก็เพราะว่าดวงตะวันก็คล้อยต่ำลงเรื่อยๆเมื่อห้างเสร็จเรียบร้อยจัดการกินอาหารเย็นกันแล้วก็ทําการไหว้พระแม่ธรณีบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาจากนั้นก็พากันขึ้นห้าง และระหว่างที่พา ก, กันขึ้นห้างนั้นตาผมก็รู้สึกแปลกๆคือเย็นว่าไปทำสลังรู้สึกสังข์หนใจไม่ดียังไงบอกไม่ถูกแล้วเมื่อขึ้นไปนั่งกันอยู่ข้างบนนั่งรอเวลามองดูสิ่งรอบกายให้ชินก่อนที่ฟ้าจะมืดมิด ส, สนิทจริงๆเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆจนความมืดเข้าปกคลุมไปทั่วบริเวณตากับเพื่อนไม่ได้พูดอะไรกันต่างใจสมาธิพเพื่อเฝ้ารอดูเหยือกระสุนข้างล่างเมื่อไหรหนอจะมีอะไรเข้ามาสิ่งที่ตาสัมผัสได้กับเพื่อนก็คือ ป่าเงียบมากคืนนั้นไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงแมลงกลางคืนแกว่าปกติป่าแห่งนี้จะได้ยินเสียงตัวเวียตัวว่าตร้องพูดกันแทบไม่ได้ยินเลยแต่ว่าคืนนี้เงียบสนิทแกได้แต่มองหน้ากันกับเพื่อนแล้วต่างคนก็ต่างรู้ว่าคืนนี้ไม่ปกติแน่นอนท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมความเงียบและไม่ลมเยน็นๆพัดโชยมาอาการง่วงก็บังเกิดทั้งแกและเพื่อนก็ตัดสินใจกันว่าจะนั่งอยู่เป็นเพื่อนกันให้ถึงเที่ยงคืนก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเวรกันนอน การนั่งรอด้วยอาการสงบบนห้างยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆมีการพูดจาเ บ, บาๆกันบ้างแต่ก็ไร้วิแววของสัตว์ใดที่จะย่างไกลเข้ามารอแล้วรอเล่าก็ไม่มีสัตว์ใดเข้ามาได้แต่มองหน้ากันแล้วก็รู้กันว่าต้องอดทนบรรยากาศรอบกายว่งเวงสิ้นดีเหมือนว่าโลกนี้มีแค่ตากับเพื่อนสองคนเท่านั้นที่อยู่บนห้างยิ่งดึกอากาศก็ยิ่งเย็นนั่งรอกันไปกันมาจนเวลาล่วงไปเที่ยงคืนเพื่อนผลนอนก่อนตารับผลัดแรกในการเข้าเวร แล้ตาก็นั่งเฝ้าดูสัตว์อยู่คนเดียวจนเวลาผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเข้าสติหนึ่งสประสาทหูของตาก็ได้ยินเสียงสิ่งหนึ่งดังขึ้นลักษณะเป็นเสียงเดินเป็นเสียงเดินที่ดังชัดมากเหมือนกับว่าเดินหยียบไม้ไม้แห้งกําลังตรงมาที่ทางสัตว์เดินพลพลตื่นไว้แกรีปลุกเพื่อนขึ้นมามีหมูป่าเข้ามาแน่เพื่อนพลงงเงียวลุกขึ้นมานั่งจริงหรือวเออได้ยินเสียงมันมามากกว่าหนึ่งตัวและสักพันนั้นเสียงเดินก็เงียบไป ทั้งคู่ใจจุดใจจ่อรอเจ้าของเสียงเดินเมื่อกี้ทั้งคู่นิ่งใจจุดใจจ่อในการเฝ้ารอแล้วก็รอรอแล้วก็รอรออยู่ตั้งนานก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยมึงหูฝาหรือเปล่าเพื่อนแกว่าเออนะเราดูไปก่อนเป็นคำตอบที่ยืนยันได้ว่าตาได้ยินจริงๆแล้วเส้นเสียงตาพูดไม่นานสักพักเสียงเดินก็ดังขึ้นมาอีกครั้งเป็นไงมึงได้ยินไหมตาหันไปถามเพื่อนผลเพื่อนผลพยักหน้าขาใจ แล้วเสียงเดินที่ว่าก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาตรงเข้ามาทางห้างที่แกกับเพื่อนนั่งอยู่นั่นแหละหลังจากสายตาที่ชินกับความมืดกับแสงจันทร์ที่สลัวก็บังเกิดเงาตะคุ่มตะคุ่มส ต, ตัวกันมันเดินมาตากับเพื่อนมองหน้ากันเพราะว่ายังเห็นไม่ชัดว่ามันคือตัวอะไรทั้งคู่กระชับอาวุธคู่กายไว้แน่นแล้วเมื่อจังหวะตะคุ่มเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆสิ่งที่ปรากฏกับสายตาแกกับเพื่อนก็คือเสือโคร่งตัวใหญ่2ตัวกันมันเดินมาทางห้าง มันก็ค่อยเดินมาเดินมาแล้วมันทั้งคู่ก็ไม่หยุดยืนอยู่ตรงใต้ห้างมันนั่งลงแล้วก็แงะหน้ามองขึ้นมาบนห้างตากับเพื่อนมองหน้ากันไม่เข้าใจแล้วก็กระซิบกระซาบต่อกันว่าเราจะไม่ยิงมันถ้ามันทั้งคู่ไม่พยายามจะปีนขึ้นมาตากับเพื่อนก็นั่งเงียบอยู่บนห้างและเสือเจ้ากรรมสองตัวที่นั่งนิ่งอยู่ใต้ห้างมันก็ไม่ไปไหนเช่นกันบนห้างก็นั่งนิ่งรอรอว่าเมื่อไรจะไปรอเป็นชั่วโมงก็ไม่ไปสักที แกกับเพื่อนเลยพยักหน้าให้กันว่าน่าจะยิงขู่ให้ไม่นหนีไปสักนัดหนึ่งนะเมื่อคิดได้อย่งนั้นตาก็หันปืนเล็งไปทางอื่นแล้วก็ลั่นไกป้งแล้วมื่สิ่งปืนเงียบลงมันไม่ได้หนีไปอย่างที่คิดมันกลับนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นแล้วมองขึ้นมาคำรำลั่นป่าและสิ่งที่ทั้งคู่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเจ้าเสือตัวโตที่น่าจะเป็นตัวผู้มันวิ่งเข้ามาที่ใต้โคนต้นไม้แล้วมันก็กระโจนตะกายขึ้นมาด้วยความตกใจตาเล็งกระบอกปืนลงไปแล้วยิงป้งป้งป้งป เป้หมายก็คือที่หัวแต่ดูเหมือนว่ากระสุนปืนของตาจะทําอะไรมันไม่ได้ดูมันไม่สะทกสถานอะไรเลยมันพยายามปีตะกายขึ้นมาเพืนตาก็ช่วยตายิงอีกแรงแต่เล็งไปที่ตัวเมียป้องประกบไม่ได้ถนกระสุนทํางานได้ดีเจ้าตัวเมียโดนกระสุนลงไปนอนดิ้นตายอยู่ตรงนั้นพอเจ้าตัวผู้ที่กําลังพยายามปีนตะกายขึ้นมามันเห็นเข้ามันก็ร้องคํารามลั่นพร้อมกับพยายามปีนตะกายขึ้นมาใหถึงพวกตายให้ได้แต่ตาว่า ด, ดีที่ไม้ต้นนี้เป็นไม้ปานจําซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งทํำให้ และไม่เห็นไม่ได้ผลตายไปตัวหนึ่งตากับเพื่อนก็ช่วยกันรุมยิงเจ้าเสือที่กําลังปีนขึ้นมาป้องบ้องบ้องช่วยกันเล็งช่วยกันยิงเป็น10บนัดได้แต่ก็ดูเหมือนกับว่ากระสุนของตัคู่จะทําอะไรมันไม่ได้เลยมันจะโคงร้องคํารามและพยายามตะกายขึ้นเฮ้หยุดเถอะกว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดาว่าตาบอกเพื่อนพลจากนั้นแกก็หยิบอากระสุนปืนลูกสองของแกออกมา3นัดนํามาพนุมไว้ในมือแล้วบริกรรมกระถาเป้าใส่ เมื่อเรียบร้อยก็บรรจุกระสุนปืนแล้วเล็งไปที่หัวเสือตัวนั้นไม่รอช้าเหนี่ยวไกทันทีป้องแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นจากหัวเสือที่เห็นแล้วยิงตอนนี้มันกลับกลายเป็นขาหลังของเสือไปได้เหมือนกับว่ามันหันหลังกระโจนออกไปผลพื้นตาเห็นก็ทำอะไรไม่ถูกทำได้เพียงตะลึงตกใจไอ้ลายไปยืนอยู่ตรงศพตัวเมียคู่ของมันแล้วหันหน้ามามองร้องคำรามลั่นป่ามีท่าทีโกรธแคนมากมันจ่องมองขึ้นมาไม่ยอมหนีไปไหนระหว่างนั้นปลายกระบอกปืนยังคงเด่งอยู่ที่หัวมัน ละชั่วอึดใจเดียวนั่นเองมันก็วิ่งกระโจนเข้ามาที่โคนต้นไม้อีกครั้งและด้วยเป้าหมายที่ไม่เคยล้าจากสายตาตาเหนียวไก่ยิงที่หัวมันทันทีป้องกระสุนเข้านภาผ พ, พอดีมันหน้าหงายกระเด็นลงไปและลุกไปนอนดิ้นกระตุกทุรนทุรายเป้างตารีบยิงซ้ำไอีกนัดเพื่อความแน่ใจมันดิ้นกระตุกพักหนึ่งแล้วก็นิ่งไปตากับเพื่อนมองหน้ากันแน่ใจว่ามันตายแล้วแน่นอนแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรกันได้แต่นั่งนิ่งมองลงไปดูซากเสือทั้งคู่ที่นอนตายอยู่ข้างล่าง และเมื่อฝ้าสว่างขึ้นรุ่งอรุณมาถึงเสียงขับขานของล้ำนาวไพรดังเซงแซ่ตากับเพื่อนรีบลงจากห้างมาดูเสือจะใส่ตาที่กะกันเจ้าตัวผู้น่าจะประมาณ6ศอกได้ส่วนเจ้าตัวเมียดูประมาณ4ศอกแกกับเพื่อนช่วยกันตัดเขี้ยวและถลกหนังมาทั้งสองตัวปัจจุบันนี้เขี้ยวเสือตัวผู้อยู่กับผมหนึ่งเขี้ยวอีกเขี้ยวหนึ่งอยู่ที่ยายส่วนที่เหลือไม่รู้ว่าแกให้ใครไปบ้าง ส่วนหนังของมันรู้เพียงว่าแกนั้นไปถวายให้วัดแห่งหนึ่งในอำเภอท่าศาลาปัจจุบันนี้ตาของผมท่านเสียจากไป12ปีแล้วครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ตาเล่าให้ผมฟังครับแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้โดยเรื่องแรกเป็นของคุณอัธพลเรื่องที่2เป็นของคุณตรงฟานปุ้ป้ายก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านร่ํารวยอุดมสมบูรณ์ สมหวังแดงตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ